เฮ้ย <Hey, S 2> พวกเด็กๆคุณตามาเว้ยเสียงแม่แป้นผู้เป็นแม่ของลูกๆที่เดือนปากคลองบางพรมซึ่งเป็นคลองซอยจากคลองชักพระแห่งทนบุรีตะโกนบอกลูกๆที่กำลังเตรียมอาหารที่จะเลี้ยงเล่ากันสนุกอยู่ในครัวคนที่โผล่ออกจากครัวก่อนใครคือชายหนุ่มที่ชื่อทองมาลูกชายคนโตของแม่แป้นออกมานอกชานแล้วก็นั่งยกมือไหว้ในไกรผู้เป็นนาชายของมารดาตัวแม้ คุณตามาพอดีเลยทองมาพูดพอดีกับที่น้องๆของทองมาเดินตามออกมาหลายคนกราบไหว้ผู้เป็นตาตามๆกันพร้อมกับหัวเราะกันอย่างครื้นเครงตามาเยี่ยมบ้านวันนี้ยังนกับรู้ว่าวันนี้ทองมาชนะพนันกับเพื่อนและจะมาเลี้ยงกันที่บ้านนี้วันนี้เขาจะมีการเลี้ยงกันนะ่ะแม่แป้นหัวเราะแล้วก็บอกแกนายกรผู้เป็นน้าออก็ดีนะสิ ทองมาเขาชนะพนันเพื่อนเขาเจ้าเป้าเพื่อนเขาแพ้พนันก็ต้องออกเงินค่าเล่าค่าอาหารมาทำเลี้ยงกันที่นี่ประเดี๋ยวผู้แพ้ก็มากันหรอกเนี่ยพอดีนะมาประจบเหมาะเลยนะแม่แป้นมีความสนุกตามลูกชายไปด้วยชวนในกรรนั่งก่อนก็พอดีที่ทิดยังผัวแม่แป้นกลับจากสวนหิ้วผลไม้มาด้วยเพื่อจะเลี้ยงกันข้ามานี่นะตั้งใจจะมากินเลี้ยงนะบอกให้รู้เลย แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเองเนี่ยจะต้องไปตามข้าที่บ้านข้าก็เลยรีบมาซะก่อนไงล่ววะเนกไกรพูดจบพวกหลานๆก็หากันครืนทาไมคุณตารู้ล่ะว่าฉันมีพนันกันแล้วก็จะเลี้ยงกันทองมาถามอย่างสนุกฉันก็คิดว่าอีกประเดียวก็จะวิ่งไปตามที่บ้านนะสิบ้าคนอย่างตาไม่รู้ได้หรอแถวบางพรมเนี่ยจะมีอะไรกันนะข้ามันไม่รู้จะเป็นไปไม่ได้หรอกเนกไกรพูดแล้วก็หัวเราะ การชนะของเองครั้งนี้เนะี่ยข้าเป็นคนช่วยให้เองชนะนิวาเดิมทีเองแพ้เขาอยู่แล้วหนึ่งแต้มข้ารู้เข้าก็รีบช่วยเองให้ชนะเขาเพียงหนึ่งแต้มเหมือนกันกินกันเพียงแต้มเดียวแลววะมันเจ็บแสบดีอ้อน้ารู้เรื่องพนันกับเขาเหมือนกันเือเนี่ยทิดยังถามความจริงนะี่ยเจ้าทองมาเขาทำกันเงียบๆสนุกๆถ้ารู้กันมากไปเขาก็กลัวว่าจะมีการช่วยกันพวกใครก็พวกมันเฮ้ย เรื่องปกปิดน่ะอย่าเลยวะยังไงยังไงข่าก็รู้มีอย่างหรือว่าพนันแบบนี้เด็กๆมันก็รู้ว่าไอ้ทองมาเนี่ยมันก็ต้องแพ้วันยังค่ำเนกระไรพูดใครๆก็รู้นี่ว่าว่าสะพานข้ามคลองที่วัดทองมาวัดเงินน่ะใครจะเดินทางไหนมาข้ามสะพานมากกว่ากันไอ้เป้าจับสลากได้ข้างชนะเป็นวัดทองก็หวานมันสิวะบ้านนี้ก็รู้กันทั่วคนกลับมาจากทางานจากบางกอก มากกลับมาทางเรือจ้างทางคลองมอนมากกว่ามาทางบางระมาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันมีถนนใครก็จะมาเรือกันละจ๊ะก็มาทางรถแล้วก็เดินต่อเข้าตรอกมาข้ามสะพานวัดแก้วแล้วก็เดินมาวัดทองแล้วก็ข้ามสะพานไปวัดเงินออกหลังวัดเดินต่อไปใครวะจะเดินมาทางบางระมาดมาข้ามวัดทองไปสู่ทางวัดเงินทีเนี้ยไอทองมาไปจับสลากเอาวัดเงินเข้าก็ไม่มีทางเลย พวกเองกะเวลากันนับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นใครเดินข้ามไปทางไหนมากกว่ากันละ่ะแต่ยังนะเฮ้ยไอเป้ามันยังปลอมคนมาช่วยเดินข้ามเอาคะแนนตั้งหลายคนนะเดินข้ามไปแล้วก็แอบลงเรือกลับมีคนบอกข้าข้าก็เลยรีบมาแอบดูเห็นเวลาเหลืออีกนิดเดียวจะห้าโมงเย็นไอเป่ายังชนะเองอยู่1คะแนน ถ้าเพียงค่าข้ามสะพานมาเพียงคนเดียวคะแนนก็เท่ากันเสมอกันไปข้าก็เลยชวนพวกมาอีกก็ชนะไปหนึ่งคะแนนไอ้แจ้งไปจดคะแนนข้างพี่ชายใช่ไหมล่ะในไกรหันไปถามเจ้าแจ้งน้องชายเจ้าทองมาเจ้าแจ้งยกมือไหว้รับว่าใชา่แต่สงสัยใจว่าตาช่างรู้ละเอียดราวกับถือคะแนนด้วยตนเองแต่ทิดยังกับแม่แป้นนั้นรู้ว่าในไกรเป็นคนเลี้ยงพรายย่อมรู้อะไรอะไรได้เอง พวกพี่น้องทองมาหัวเราะแปลกใจที่ตาช่างรู้อะไรอะไรหมดทุกอย่างเหมือนกับเป็นตัวการเองแม้ว่าข้าลืมคิดไปว่าไอ้เป้าอ่ะจะโกงทองมาพูดกับน้องๆข้าแอ บ, บดูอยู่นี่ว่าไอ้เป้ามันฉลาดกว่าเดียเด๋ยวๆไอ้จอมเป็นคนจดคะแนนทางไอ้เป้าใช่ไหมไอ้แจ้งในกระไรยื่นหน้าถามเข้าเจ้าแจ้งก็รับว่าใชา่ในกระไรหัวเราะกาัดทุยข้าคุมเชิงอยู่เงียบๆ ไอกรรมการสองคนเชอะไม่เห็นค่ะพอข้าเดินมาข้ามสะพานไอแจ้งนี่รีบจดเลยพวกเด็กๆสนุกสนานทั้งพ่อทั้งแม่ก็พลอยหัวเราะด้วยที่ตาแอบร่วมสนุกกับหลานๆข้าคอยระวังอยู่เทียวเองถ้าไอเป้าเอาคนมาข้ามสะพานเพิ่มจำนวนเข้าข้าก็จะเรียบพวกมันมาให้เหนือกว่ามันวันนี้ข้าต้องกินมากหน่อยนะเว้ยที่เองชนะก็เพราะข้านะเว้ยเสียงเฮฮากรียวกราวไปทางบ้าน ก็พอดีเจ้าเป้ากับพวกโผล่มาก็เลยลงมือเลี้ยงกันสนุกครื้นเครงใครหาตาภาพมาได้นี่วะคุณตาไกลรถามกับหลานๆเจ้าแจ้งนะสิตาคว้ามาสองตัวกําลังงามเลยทองมาบอกแหมนึกว่าจะได้สามเหลี่ยมมาผัดเผ็ดแล้วสิเห็นหางมันโผล่มาจากอ้อโอ้ใหญ่กําลังกินแต่ว่าบ้กลายเป็นตะกวดไปได้หางมันลายแบบเดียวกันบะแล้วกัน ตะกวดก็ดีนี่ว่าในกรุงเขาชอบกันนักที่โฮเตลจีนเนี่ยนะโอ้โหราคาแพงนักเชียวเพื่อนคนหนึ่งว่ากกหางมันเด็ดขาดไม่ไว้ว่าพวกเรามันกินไม่เป็นเดี๋ยวมันด่ากูตายท่องมาว่าเออรู้งี้กูตีคางโคกมาผัดเผ็ดให้ไอ้จ้อยคงชอบแน่แน่เลยเจ้าแจ้งว่าไวเลอร์ไอ้แจ้งเจ้าจ้าอยร้องอา้าวก็มึงโง่นี่ชาวบางปะอินละโปรดนักเขาเรียกว่ากบมระ ข้าเคยกินกับเขานะตอนแรกเนี่ยข้าก็โดนปลดเหมือนกันเขาก็บอกกับข้าว่ากบจําศีลเล่นเข้าไปโอ้โหอร่อยดีอิ่มแล้วถึงรู้ว่าเป็นคางคกเจ้าแจ้งเล่าเรื่องทางคกทําให้เกิดความสนใจกับพวกขอเล่าฮือฮากันไปทั้งวงไม่ว่าอะไรหรอกว่าลงเรียกมันไม่หือไม่อือแล้วก็กินได้ทั้งนั้นแหละจะเป้าว่าเขา้าแมห่ไอ้เป้าพูดยังกับยักษ์นะมึงนะ่ะสัตว์อะไรล่ะจะพูดได้เหมือนกับคน มันกินดะเลยนะ่ะเจ้าแจ้งว่าเฮ้ยทิศกลิ่นกับทิศกลืนพี่น้องบ้านคลองพ้ลุ่ยนั่นน่ะใครวะเจ้าเป้าว่าวันหนึ่งข้ายิงอีกาได้เนี่ยข้าชอบกินว่ะอีกาเนี่ยเนื้อมันคล้ายเนื้อวัวเลยเวลาผัดเครื่องเอาเหล้าโรงใส่ผัดไปด้วยอู้เด็ดขาดนัดวันนั้นเนี่ยข้าแกงน้ำขลุกคลิ ก, ลกแล้วก็ใส่หม้อหิ้วไปบ้านทิศกลิ่นทิศกลืนกินเหล้ากันเขาหาน้ําใสมาได้จากบางเสาธง ข้านี่เปิดหม้อแกงอีกาแต่บอกว่ากาวเวาก็ลงมือกินแล้วก็คุยกันถึงเรื่องนกอื่นๆและทิดกลิ่นก็พูดว่าเนื้ออีกามีคนพูดว่าดีนักข้าก็เลยเสริมเข้าไปว่าดีสิทิดกลิ่นก็พูดว่าอีกาอนะ่ะมีคนพูดกันมากคนว่าดีนักแต่ชาตินี้ไม่ขอกินว่ะเขาพูดแบบเนี้ยข้านิดจุกคอหอยเลยก็เขากําลังตักอีกากินอย่างไม่วางมือและบอกว่าชาตินี้จะไม่ขอกินพอจะเป้าพูดจบ ผู้ฟังก็หัวเราะกันครืนโอ้โหถ้าสองทิศนั่นเขารู้ว่าเองไปหลอกเขาให้กินอีกาเนี่ยเขาจะว่ายังไงวะเจ้าแจ้งถามอ๋อเขาก็เตะขางอมมาเท่านั้นเองข้าก็เลยนิ่งเฉยชวนกินเกาเห่าปากดําไปเรื่อยจะเป้าใช้คําว่าเกาเห่าปากดําความจริงเกาเห่ามันปากเหลืองกินกันอยู่สักครู่คุณตากรของเราก็กระซิบกับทิศยังและกก็แม่แป้นว่าอยากจะลากลับ ปราะนึกถึงธุระได้อาจจะเป็นว่าคุณตากินเหล้ากับลูกหลานมากนักเกรงว่านานไปการลบหลู่จะมีขึ้นมันคนละรุ่นลงเหล้าเข้าปากการเกรงการทางอายุจะหมดไปในไกลสกิดทองมาให้เข้ามาใกล้และพูดว่าวันเนี้ก็สนุกกันดีแล้วพรุ่งนี้เช้าตักบาตแล้วก็กรวดน้ําให้กับคนสักคนเถอะว่าคนนี้เขาเป็นตัวมาช่วยลงคะแนนให้เองเหมือนกันใครนาตาเจ้าทองมาถามเพราะสงสยัย ลงตาบอกให้กรวดน้ำไปให้ก็หมายถึงว่าคนที่ตายไปแล้วเอาถถอวะ่ะยังไม่บอกเดี๋ยวนี้ละประเดี๋ยวเองก็รู้เองแหละ ว, ว่าใครพอค่ากลับไปถ้าเห็นใครตามหลังค่าก็คนนั้นแหละแล้วก็กรวดน้ำไปให้เขาด้วยละ่ะในไกลพูดดังนั้นทิดยางแม่แปน้นก็มองหน้านิ่งไม่กล้าถามอีกเพราะเกรงกันอยู่สำหรับในไกลในย่านบางพรมเป็นที่เกรงกันทั้งนั้น อายุและก็ความเก่าแก่ประจําถิ่นเป็นนักเลงรุ่นเก่าในบางนั้นทองมานั้นคอยจับตาดูเวลาตากลับแกว่าจะได้เห็นคนที่ช่วยลงคะแนนในวันนี้ว่าคือใครครั้นแล้วในกระไรก็ลุกขึ้นให้ศีลให้พรกับลูกๆหลานแล้วในไกรก็ลงบันไดไปทิดยางแม่แป้นเดินมาส่งที่หัวบันไดทองมาตามลงมาส่งที่ข้างล่างในย่านนั้นไม่มีใครห่วงในกระไรเรื่องเดินทางมีไฟฉายดวงเดียวก็เดินได้ทั่วบาง ในไกรฉ า, ายไฟกระดาษไปข้างหน้าแล้วก็เดินไปอย่างระวังเพราะว่าในตาไม่เหมือนเดิมบัตรนั้นเองทองมาถึงกับยืนตัวแข็งเพราะผู้ที่เดินตามหลังตานั้นเป็นคนที่ควรอย่างยิ่งที่ทองมาจะต้องกรวดน้ำไปให้นังยงทิดยางและแม่แป้นร้องเบาๆแล้วก็งงงันอยู่ที่หัวบันไดทองมาเดินกลับมาหาพ่อกับแม่ตัวสั่นเล็กน้อยพร้อมกับถอนใจยาว เพราะหญิงสาวที่ชื่อประยงที่เดินตามหลังตานั้นคือคู่รักคู่สวัสดของทองมาเก่าก่อนแต่ถูกยิงตายซะโดยแย่งรักหักสวาสดกันผู้ที่ยิงก็ติดคุกตลอดชีวิตประยงตายมาสองปีแล้วทองมากลับขึ้นข้างบนและพูดกับพ่อกับแม่เบาๆแบบเสียงสั่นว่าประยงประยงยังไม่ลืมฉันนะแม่พูดได้เท่านี้ก็ตันใจนิ่งงนันเสียงหมาไต้ถุนหอนเสียงเยือกเย็น ทุกคนในวงเล่ามองหน้ากันแม้ไอ้พวกข้างล่างนี่มันหอนกันยังกะเห็นคุณตาเป็นผีจะแจ้งพูดอย่างสนุกแล้วก็ดื่มเหล้าทองมามองน้องชายแวบหนึ่งแต่ไม่พูดอะไรแต่นึกในใจว่าพรุ่งนี้ฉันจะตักบาดให้เธอนะประยงเอ๋ย